๙ตุทุพรมสูตรว่าด้วยตุทุปเจ ก, กพรมร้อยแปดสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นโกกาลิกะภิกษุอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข่หนักครั้นเมื่อราตรีผ่านไปตุทุปเจ ก, กพรมมีวันนันงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปหา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 ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานนะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วเมื่อกโกกาลิกะพิสุกล่าวย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกสุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธ อ, อยากก่าวยางนั้นโกกาลิกะเธ อ, อยากก่าวยางนั้น เธอจงทําจิตให้เลื่อมใสายในสารีบุตรและโมคลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สองโกกาลิกะภิกษุกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์ทรงมีพระพุทธพจน์ที่ข้าพระองค์เชื่อถือได้ก็จริง ถึงอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคลานะก็ยังเป็นผู้ปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะพิสุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออยากกล่าวอย่างนั้นโกกาลิกะเธออยากกล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคคลานะ เป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สามโกกาลิกะภิกษุก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุกว่าเพราะสารีบุตรและโมคคลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักครั้งนั้นโกกาลิกะภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําปฏักศินแล้วจากไปเมื่อโกกาลิการภิกษุจากไปไม่นานร่างกายก็มีตุ่มขนาดเท่าเม็ดพันผักกาดเกิดขึ้นทั่วร่างตุ่มเหล่านั้นโตเท่ า, มาเมล็ดพันผักกาดแล้วก็โตขึ้นเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวโตเท่ า, มาเมล็ดถั่วดําโตเท่ า, มาเมล็ดพุทราโตเท่ า, มาเมล็ดกระบาวโตเท่าผลมะขามป้อม โตเท่าผลมตูมอ่อนโตเท่าผลมตูมแก่แล้วก็แตกเยิม้มน้องและเลือดหลังออกมาครั้งนั้นโกกาลิกภิกษุได้มรณภาพเพราะอาพาธนั่นเองแล้วไปเกิดในปทุมนรกเพราะมีจิตผูกอาคาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคลานะครั้นเมื่อราตรีผ่านไปท้าสห บ, บดีพรหมมีวัดนะงดงามยิ่งนัก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 พลันเท้าสหบดีพรมกราบทูลดังนี้แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทาปัทธิสินแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองพระราตรีผ่านไปพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเท้าสหบดีพรมมีวันนะกงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วพระเชตวัน เข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยือนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกกะภิกษุมรณภาพแล้วไปเกิดในปทุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะภิกษุทั้งหลายท้าสห บ, บดีพรหมกล่าวคำนี้แล้วอภิวาทเรา กระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปนะที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปทุมนรกนานเท่าไรหนาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุประมาณอายุในปทุมนรกนานนักประมาณอายุในปทุมนรกนั้นยากที่จะนับได้ว่า ประมาณปีเท่านี้ประมาณร้อยปีเท่านี้ประมาณพันปีเท่านี้ประมาณแสนปีเท่านี้ภิกสุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะยกอุปมาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าได้ภิกสุแล้วตรัสว่าภิกสุหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกสนมีอัตรา 20ขารีล่วงไปแล้วแสนปีบุรุษจึงนำเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นหนึ่งเมล็ดเมล็ดงาหนึ่งเกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา20ขารีนั้นจะพึงหมดไปโดยทํานองนี้เร็วกว่าแต่ว่าหนึ่งอมพุทธนรกหาหมดไปไม่20สอัพุทธนรกเป็นหนึ่งนิรพุทธนรก20นสิรนิรพุทธนรก เป็นหนึ่งอภพภนรกยีสิบอภพภนรกเป็นหนึ่งอุ ห, อหนะนรกยีสิบอุหะนรกเป็นหนึ่งอัตตนรก20สอัตตนรกเป็นหนึ่งกุมุฒนรกยีสิบกุมุฒนรกเป็นหนึ่งโสขันธิกะนรก20โสขันธิกะนรกเป็นหนึ่งอุปละนะรกยี่สิบ อุปละนรกเป็นหนึ่งปุนทริกนรก20สบปุนทริกนรกเป็นปฐุมนรกโกกาลิกกภิษุไปเกิดในปฐุมนรกแล้วเพราะมีจิตผูกอาคาตในสารีบุตรและโมฆลานะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศสสดาได้ตรัสเวยากรณะพาสิทนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า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 เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่การที่บุคคลมีใจประทุษร้ายในบุคคลผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เท่านั้นเป็นความผิดมากกว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติดเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้น1 3 6่0 0นพนิ 1, 36, 000, นรัพพุทธกับกับอีกห้าอัพพุทธกับโกกาลิกสูตรที่10จบ